พุทเจ้าสอนวทุกให้รู้มีตัวเดียวที่เว้นไว้คือสมุทัยให้ละตัวตันหานที่เหลือทั้งหมดในขันทีงเหลือหลายทั้งปวงเรามนะีหน้าที่เรามีหน้าที่รู้มันรู้อย่างที่มันเป็นคำว่ารู้นะั่นก็คือไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปแทรกแซงมันมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีบางคนภาวนาไปนะภาวนาได้ดีด้วยซ้ำไปเข้าใจในขั้นต้นๆแล้วเนี่ย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 แล่ว่าพอภพอนาไปแล้วเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาเราก็คิดว่าได้มรกได้ผลนะแล้วแล้วพอน้อมใจเชื่อเพราะอยากจะเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าปฏิบัติมาก็อยากได้มรกผลมีความแปลกๆอะไรเกิดขึ้นก็เชื่อเลยได้แล้วไม่กล้าที่จะพิสูจน์ด้วยซ้าไปไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารยนะ์ไม่กล้าถามเลยกนละัวว่าจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำคำท่านโบราณเนานะคาท่านไม่เพลาะหรอกนะ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 ว่ามีอะไรเหลืออยู่อีกหรือเปล่านี่สงวนรักษาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่านั่งทับขี้อยู่เฉยๆนะสกโป่กปอยู่อย่างนั้นคนะ่ขุดออกมาไม่ได้ทำลายไม่ออกงั้นจะับใดนะถ้าพวกเราสังเกตดูจิตอย่างตปค้างในพพในภูมิใดๆนะโเฉพาะในความนิ่งๆว่างๆความสว่างอะไรพวกนี้นะให้สังเกตให้ดี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 บอกว่าคารวาสเนี่ยจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดนะเหมือนหอยอกสังที่ขัดดีแล้วนี่ทำได้ยากแต่ถึงยากก็ต้องทำพยายามทำให้ได้มากที่สุดบางครั้งบางเวลาศีลมันขาดไปตั้งใจใหม่รักษาใหม่บางคนนมันไม่มีทางเลือกเลยบางคนไม่มีทางเลือกนะอย่างอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาขายนะ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 เราคลุ้มใจมากเลยนะอึดอัดมากเลยทำยังไงได้ละ่ะเวลาคนโทรมานะรับสายปุ๊บเราก็ถามหาหัวหน้านะเราก็พูดเบาๆหน่อยนะหัวหน้าสั่งว่าไปไประชุมครับ <laughs> <c oughs> กิวดี้ไหมกิวดี้นะสีด่างพลอยนะด่างพลอยนิดหน่อยนะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เจตนาเลยเถูกบังคับนะ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 ภูมิเทวดาภูมิพลมบางพวกเมื่อนี้ถึงจะภาวนาขึ้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนะพวกนี้ภาวนาไม่ได้ก็ขวางอยู่อย่างนั้นเองในคำพีก็พูดถึงพญานาคนะพญานาคเพราะพญนาค ก, ก็เป็นทุกคติจะเป็นทุกคติที่มีความสุขมีทรัพสมบัติมากเลยเนะี่ยฟูฟ่ฟาพวกเราชอบไปขอเพชรพญานาค ก, กันไปต่อยจากก้อนหินกัน